เรื่องสุดท้ายของปฏิจจสมุบาต <c oughs> จบที่หน้าร้อยแ1ด1้อเดบบนะเราศึกษาปฏิจจสมุบาตกันมาทั้งปีนะถึงวันจบแล้วน ะ, ะก็มีแค่นี้ เรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของปฏิจจสมบาททั้งหมดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะที่พระตถาคตมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นภาสิทธของพระษาลยบุตรซึ่งอ้างถึงพระพุทธภาษิทธอีกต่อหนึ่ง แกภิกษุห้าร้อยรูปที่นวสันถาคารชื่ออุปัตกะเนี่ยดูลักษณะนะภ <c oughs> าษารีบุตรเวลาสอนก็จะกอปปี้คำพระพุทธเจ้าเลยอ้างคำพระพุทธเจ้าแล้วก็พูดตามพพุทธเจ้าไป <c oughs> <c oughs> นี่เป็นลักษณะนี้ในการถ่ายทอดธรรมะ ทำตัวเองเหมือนเหมือนเทปเลกคอร์ดอะนะอัดคำพูดผู้เจ้าวไว้แล้วใครจะซักถามอะไรก็เปิดเทปต่อนะออกไปเลยดูว่าเขาถามเรื่องใดนะเราก็พูดไปเรื่องนั้นๆที่เราเห็นว่าคำถามนี้พระต ถ, ถาคตได้ตอบไปแล้ว ปฏิจจสุบาเนี่ยเป็นเรื่องที่พุทธบริษัทเนี่ยควรทำความเข้าใจควรสอบสวนสาธยายทำความเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็ทรงจำไว้อย่างมั่นคงปฏิจจสุบาตก็คือเรื่องของอริยสัตย์4โดยละเอียดนั่นเองนะเป็นธรรมสองอย่าง ที่เป็นประโยชน์แก่มหาชนนะในพระสูตรนี้มีอะไรบ้างนะดู <c oughs> <c oughs> ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำสองอย่างอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้อรหันตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วมีอยู่อันพุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งปวงนั่นเทียวพึงทำสังคีติวงเล็บว่าคือสอบสวนจนเป็นที่เข้าใจตรงกันทุกคนแล้วช่วยกันสาธยายเพื่อทรงจำไว้อย่างมั่นคงการสาธยายนะก็คือการสวดขึ้นมาในคำพระตถามคดการสวดเนี่ยการสาธยายทำการสวดทำเนี่ยนะอ่าก็เพื่อทรงจำให้ได้นะเพราะ พุทธวจนะมีมากนะวิธีจะจําให้ได้ก็คือต้องสวดสวดนะเพราะฉะนั้นสวดเพื่อทรงจําคำาพระตถาคตเพื่อทรงจําไว้อย่างมั่นคงในธรรมสองอย่างนั้นไม่พึงวิวาทกันในธรรมสองอย่างนั้นโดยประการที่พรหมจรรย์ก็คือศาสนานี้นะพรหมจรรย์ น, นี้ คำว่าพรหมจรรย์ก็คืออะไรบ้างมักมีองค์8หรือศาสนาหรือศาสนีศาสนาน่ะคือคำบอกคำสอนในธรรมวินัยนี้จะพึงมั่นคงตั้งอยู่นานข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อหิจตสุขแก่มหาชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์หิจตสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสองอย่างนั้นคืออะไรเล่าทำสองอย่างนั้นคือ อายตนะกุศลตาแปลว่าความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจยรูปเสียงขินลดโปรตพาธรรมลมนี่อย่างที่ 2. ปฏิจชสมุปปาทะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจชสมุปบาทปฏิจชสมุปบาทนะมออุปปมุปแล้วก็มีจุดที่ปอปาไม่อัาน ไม่อ่านปฏิจจสมุ ป, ปบาทปอ่านว่าปฏิจจสมุ ป, ปบาท น, นะความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุ ป, ปบาทดูก่อนท่านผู้มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้แลคือทำสองอย่างอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วอันพุทธบริษัททั้งหลายนะ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 เพื่อประโยชน์หิตสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้แหละแล้วก็ต่อได้วยคำบาลีอ่า ปีนี้ทั้งปีเราก็เป็นปีที่กำลังทำความฉลาดในอายตนะแล้วก็ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท